ผู้ไม่ตายความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายผู้ไม่ประมาทชื่อว่าย่อมไม่ตายส่วนผู้ประมาทเหมือนผู้ตายแล้วบัณฑิตรู้ความสองประการนี้โดยความแตกต่างกันคือรู้ความแตกต่างกันทั้งสองประการนี้แล้วตั้งอยู่ในความไม่ประมาทบันเทิงในความไม่ประมาทพอใจในธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะเจ้าทั้งหลายบัณฑิตเหล่านั้นเป็นผู้มีฌานมีความเพียรมั่นคงติดต่อไม่ขาดสาย ย่อมถูกต้องนิพพานอันเป็นธรรมเกษรรมจากโยคะอันยอดเยี่ยมอธิบายความในอังคุตรนิกายเอกนิบาตพระศาสดาตรัสว่าไม่มีธรรมอะไรอื่นแม้สักอย่างหนึ่งอันจะเป็นไปเพื่อโทษใหญ่เท่ากับความประมาทและทํานองเดียวกันไม่มีธรรมใดแม้สักอย่างเดียวอันเป็นไปเพื่อประโยชน์ใหญ่เท่ากับความไม่ประมาทความประมาทนั้นโดยใจความได้แก่ความนอนใจว่าไม่เป็นไรการขาดความระวัง พระอัฏฐกถ า, าจารย์ชอบอธิบายว่าความประมาทคือการอยู่โดยปราศจากสติสติวิปัปวาโซถ้าสติหมายถึงการระมัดระวังคาอธิบายของท่านก็เลยความดีมากบางแห่งท่านเปลียนสติว่าเหมือนแขกยามชาคริโกพรามโนต้องคอยระวังคนเข้าคนออกอยู่เสมอสติก็เหมือนกันต้องคอยระวังอารมณ์เข้าอารมณ์ออกทางตาหูจมูกเป็นต้นสติจึงเป็นตัวความไม่ประมาท นี่อธิบายตามแนวของพระอัตถคถาจารย์แต่สติตามที่ปรากฏในส่วนที่เป็นพระพุทธพจน์นั้นเท่าที่เคยพบมามีสองไวยะคือไวยะที่หนึ่งหมายถึงความระวังเช่นที่ตรัสตอบปัญหาของอจิตะมานพสิทธพรามภาวรีซึ่งทูลถามว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องกัน้นความอยากซึ่งเป็นดุลกระแสน้ําหลังไหลไปในอารมณ์ทั้งปวงความอยากนั้นละได้โดยทาอะไรพระพุทธองค์ตรัสตอบว่า กล่าวว่าสติเป็นเครื่องห้าเป็นเครื่องกั้นความอยากความอยากนั้นละได้ด้วยปัญญาในมหาสติปัฏฐานสูตรก็เหมือนกันสติมีความหมายในทางระวังอารมณ์ในยะที่สองสติหมายถึงการทรึกถึงกิจที่เคยทําและคําที่เคยพูดไว้แล้วแม่นานได้เช่นสิตรัสในนาถะกรณธรรมสูตรเป็นต้นระลึกได้ว่าเคยพูดไว้อย่างไรเคยทําไว้อย่างไรความไม่ประมาท อาจคลุมถึงสติทั้งสองลักษณะนี้แต่เน้นหนักไปในความระวังเช่นที่ทรงแสดงเรื่องควรทำความไม่ประมาทในสี่สถ า, านคือหนึ่งระวังใจไม่ให้กำหนัดในอารมณ์อนากำหนัดสองระวังใจไม่ให้ขัดเคืองในอารมณ์อนาขัดเคืองสาระวังใจไม่ให้หวงในอารมณ์อนาหลงสระวังใจไม่ให้มัวเมาในอารมณ์อนามัวเมาเพราะพุทธองค์ทรงตำหนิความประมาทไว้มากและทรงสรรเสริมความไม่ประมาทไว้มากเช่นกันเช่นว่า เป็นที่รวมแห่งกุศลธรรมทั้งมวลเป็นธรรมอันเลิศเป็นธรรมอันยังพระพุทธศาสนาให้เจริญมั่นคงเป็นต้นในที่นี้ทรงสรรเสริญว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายกล่าวคือเป็นทางแห่งพระนิพพานส่วนความประมาทเป็นทางแห่งความตายคือเป็นทางเสื่อมเป็นทางอบายเป็นทางทําลายคุณงามความดีทั้งปวงความไม่ประมาททรงเรียกว่าเป็นอมตะบทคือเป็นทางให้ถึงพระนิพพานคนยังประมาทอยู่ตราบใดย่อม ยังต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในสังสารวัตรตราบนั้นเพราะฉะนั้นความประมาจึงชื่อว่าเป็นทางให้ความตายบัณฑิตรู้ความแตกต่างแห่งธรรมสองอย่างนี้แล้วย่อมพอใจแต่ในความไม่ประมาทเห็นแจ้งว่าความประมาทเป็นเหตุแห่งความผิดพลาดต้องเสียใจภายหลังความย่อ ย, ยับทั้งในทางโลกและทางธรรมความไม่ประมาทย่อมเป็นทางความเจริญก้าวหน้าตั้งแต่เรื่องธรรมดาไปจนถึงเป็นเครื่องมือแห่งการบรรลุพระนิพพานอันกเกษมจากโยคะเพระเหตุนี้ในพระนิพพานสมัย พระศาสดาจึงทรงเตือนให้ภิกษุทั้งหลายอยู่ด้วยความไม่ประมาทถือกันว่านั่นเป็นปจชิมโอวาแห่งพระองค์เรื่องประกอบพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีเดิมทีชื่อสามาเป็นธิดาเศรษฐีนามพัทธวดีในพัทธวดีนครเป็นสหายกับโคสกะเศรษฐีแห่งเมืองโกสัมพีท่านเรียกว่าเป็นอธิษฐานุปพัสสหายแปลว่าเพื่อนที่ไม่เคยเห็นกัน กล่าวคือเศรษฐีทั้งสองต่างได้ทราบเกติกุลของการการจากหมู่พ่อค้าที่เดินทางไปมาค้าขายระหว่างเมืองทั้งสองแล้วต้องการครบกันไว้เป็นมิตรต่างก็ส่งบรรณาการให้กันโดยฝากพ่อค้าไปคราวหนึ่งเกิดอหิวาตากโรคขึ้นในเมืองพัทธวดีเป็นโรคระบาดที่ทำลายชีวิตคนมากคือเมืองอินเดียโดยปกติสกปรกมากเมื่อเกิดโรคระบาดคนตายกันครั้งละมากๆเสมอ เขามีเคล็ดอยู่อย่างหนึ่งคือถ้าจะหนีไอยิวาต้องพังฝาเรือนหนีออกทางประตูไม่ได้ข้าพเจ้ายังสงสัยอยู่ว่าเป็นความจริงอย่างนั้นหรือคําว่าทําลายฝาเรือนหนีไปเป็นเพียงสำนวนอย่างหนึ่งแต่มีความหมายอย่างอื่นเช่นคําว่ากินปูนร้อนท้องในภาษาของเราไม่ได้หมายความว่ากินปูนจริงแต่หมายความว่าเมื่อทําผิดแล้วเดือดร้อนไปเองหรือว่าคนนี้เป็นวัวสลังหวัวก็ไม่ได้หมายความเช่นนั้นแต่หมายความว่า เป็นคนมีความผิดแล้วชอบระแวงดังนี้เป็นต้นคําว่าทําลายฝาเรือหนีไปก็เหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นจริงตรงตามตัวหนังสือก็แล้วไปถือเป็นเคล็ดอย่างหนึ่งในการหนีอหิวาเพราะในบาลีและอัตถกถาทุกแห่งพูดถึงการหนีอหิวาครั้งใดก็ทําลายฝาเรือนหนีไปครั้งนั้นรวมกับว่ า, วาพัทธวดีเศรษฐีและภัญญารวมทั้งบุตรีคนหนึ่งชื่อสามาหนีอหิวาพากันมุ่งหน้าไปเมืองโกสัมพีเพื่อ พึ่งพาอาศัยโคสกะเศรษฐีสหายกันในระหว่างทางสเสียงหมดแต่ต้องอดทนเดินต่อไปจนถึงประตูเมืองโกสัมพีทั้งสามต้องอดโรยด้วยความหิวและลมแดดอย่างน่าสงสารความอดทนอย่างเดียวทำให้ถึงเมืองโกสัมพีแต่ก็ถึงด้วยความยากลำบากเป็นทนทั้งสามพักที่ศาลาหน้าเมืองเศรษฐีกล่าวขึ้นว่าสภาพของเราในเวลานี้แม้มารดาบิดาก็ไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการพบ เราควรบำรุงร่างกายให้ดีพอสมควรเสียก่อนแล้วจึงค่อยไปหาเศรษฐีสหายของเราฉันทราบมาว่าโคสกะสหายของเราสละทราบวรรพันธ์ให้ทานแก่คนเดินทางและคนคัมภีร์คนยากจนเป็นต้นเราควรให้ลูกสาวสามาไปขออาหารมาเลี้ยงดูกันบำรุงสรีระให้กระปี้กระเป๋าสักหน่อยหนึ่งแล้วค่อยไปหาสหายปัญญาเศรษฐีและธิดาก็าเห็นด้วยกับข้อปรารถของเศรษฐีในวันรุ่งขึ้นสามา ถือภาชนะเดินปะพลไปกับพลขอทานคนกล่ำพราอนาถาประเภทต่างๆแน่นอนความละอายต้องมีอยู่เป็นอันมากแต่ความจำเป็นคือความวิบัติได้เข้ามาตัดความละอายนั้นให้ขาดลงเธอเดินก้มหน้าตามคนทั้งหลายไปเมื่อถึงวาระของเธอผู้แจกทานชื่อมิตรกุดุมพีถามขึ้นว่าเธอรับกี่ส่วนสามส่วนขเธอตอบมิตรกุดุมพีก็มองไปสามส่วน เธอได้นําอาหารมาให้มารดาปิดาฝ่ายมารดาพยายามอ้อนวอนให้สามีบริโภคก่อนส่วนตนและลูกหญิงจักบริโภคภายหลังแต่เศรษฐีบริโภคมากเกินไปคืนนั้นอาหารไม่ย่อยพอรุ่งเช้าก็สิ้นชีดความทุกข์ใหม่เกิดขึ้นแก่มารดาและลูกหญิงทั้งสองอีกวันนั้นสามมาไปขออาหารสองส่วนคนแจกทานก็ให้ตามต้องการเธอนํามาแล้วอ้อนวอนให้มารดาบริโภคมารดาของเธอบริโภคแล้วอาหารไม่ย่อยอีก สิ้นชีพในวันนั้นคราวนี้สามามีความทุกข์โทมนัตอย่างใหญ่หลวงวันรุ่งขึ้นร้องไห้คร่ำครวญไปกับคนขอทานไปขออาหารจากมิตะกุดุมพีต้องการเท่าไรหนึ่งส่วนเจ้าข่าเธอตอบมิตรกุดุมพีจําได้จึงด่าใส่หน้าว่าดจงฉิบหายเสถียรหญิงถ่อยเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณทองของเจ้าวันนี้เองหรือวันก่อนขอสามส่วนเมื่อวานสองส่วนวันนี้ขอเพียงส่วนเดียวสามา สติผู้กำเนิดตะ้เจริญเติบโ ต, ตในตระกูลอันไพศาลมั่งคั่งโดยรัย์สมบัติเมื่อได้ฟังดังนี้มีความรู้สึกประหนึ่งว่ามีอาวุธอันแหลมคมเสียบเข้าที่อกหรือเหมือนใครเอาน้ำกรดมาราดรถบนแผลมันเจ็บแสบสุดจะพนานาได้จึงร้องถามย้ำออกไปอีกว่าท่านว่าอะไรนั่นนายมิตรกุดุมพีย้ำให้ฟังอีกเหมือนกันว่าวันก่อนเจ้ารับเอาไปสามส่วนเมื่อวานนี้รับไปสองส่วน วันนี้รับเพียงส่วนเดียวฉันถามเจ้าว่าเจ้าเพิ่งรู้จักประมาณท้องของตัววันนี้เองหรือนายท่านโปรดอย่าเข้าใจว่าฉันรับไปเพื่อตัวคนเดียวที่ฉันรับไปสามส่วนวันก่อนนั้นเพราะเรามีอยู่ด้วยกันสามคนคือพ่อแม่และฉันวันก่อนนี้พ่อฉันรับประทานอาหารแล้วตายเมื่อวานนี้แม่รับประทานแล้วตายวันนี้จึงเหลือฉันเพียงคนเดียวฉันจึงขอเพียงส่วนเดียว พ่อแม่ของเจ้าคือใครมาจากไหนเมื่อพ่อแม่ตายหมดแล้วเจ้าจะอยู่กับใครมิตรกุฎุมพีถามอย่างสงสารได้เห็นใจสา ม, มาเล่าเรื่องทั้งปวงให้มิตรกุฎุมพีฟังไม่ได้ปิดบังอำพรางเลยมิตรกุฎุมพีฟังแล้วเศร้าใจเหลือเกินจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้เอามือรูปศรีรษะสา ม, มาจุมพิษที่สีษะด้วยเมตตาอย่างลูกแล้วกล่าวว่าอย่าคิดอะไรมากเลยสา ม, มาเจ้าเป็นทิดาของพัทธวดีเศรษฐี ก็เหมือนเป็นธิดาของเราตั้งแต่วันนี้ไปจงเป็นธิ่ดาของเราดังนี้แล้วพาไปเรือนเลี้ยงอย่างลูกหญิงและให้เป็นลูกหญิงคนโตสามาก็มีความสุขขึ้นตามปกติการรับทานที่โรงทานนั้นมีเสียงอึกทึกเอ็ดอึงมากเพราะแย่งกันเข้าไปรับแม้ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันแจกอะไรให้แขกแม้พวกที่ได้รับการศึกษาแล้วก็แย่งกันเอ็ดอึงจนหน้าเบี้ยวหัวไม่ต้องกล่าวถึงพวกขอทานธรรมดา สามารถคงได้เห็นช่องทางอะไรบางอย่างตั้งแต่คราวที่ตนมาขอแล้วเมื่อได้ยินเสียงเอ็ดอึงวันหนึ่งจึงพูดกับมิตรากุฎุมพีว่าไม่สามารถทําคนเหล่านั้นให้เงียบเสียงได้หรือมิตรากุฎุมพีตอบว่าไม่สามารถทําได้เธอจึงบอกว่าน่าจะทําได้ทําอย่างไรลูกคุณพ่อให้คนล้อมโรงทานเข้ามีประตูสองด้านด้านหนึ่งเข้าด้านหนึ่งออกให้เข้าและออกได้เป็นแถวเรียงหนึ่ง เข้าทางหนึ่งออออีทางหนึ่งถ้าทำได้อย่างนี้เสียงเอ็ดอึงเสียงแย่งกันก็จะหมดไปมิตรคุดุมพีเห็นว่าอุบายนั้นดีจึงได้ให้คนทำอย่างนั้นเสียงเซงแซ่หมดไปจริงๆมิตรคุดุมพีสบายใจมากฝ่ายโคสกะเศรษฐีเจ้าของฐานเคยได้ยินเสียงเซงแซ่ก็ยินดีว่าเป็นเสียงในโรงทานของตนเมื่อมาได้ยินสงสวันประหลาดใจเมื่อพบมิตรคุดุมพีก็ถามรู้เรื่องทั้งปวงแล้ว จึงรับสามาไว้ในฐานาธิดาของตนมอบหญิงอื่นจำนวนร้อยให้เป็นบริวารชื่อของสามาได้มีคําต่อท้ายว่าวดีเป็นสามาวดีเพราะเธอให้ล้อมรัวที่โรงทานวดีแปลว่ารัวสามาวดีมีความสุขความเพลิดเพลินอยู่ท่ามกลางบริวารไม่นานนักชีวิตก็เปลี่ยนแปลงไปอีกวันหนึ่งเธอไปอาบน้ําที่ท่าน้ํากับบริวารในงานนักขัตเลิก บังเอิญต้องเดินผ่านทางพระานหลวงพระเจ้าอุเทนประทับอยู่ที่สีหบัญชรคือหน้าต่างท่อพระเนรเห็นสามาวดีแล้วเกิดปฏิพัฒ์จึงตรัสถามราชบุรุษว่าเป็นใครเมื่อทรงทราบว่าเป็นธิดาของโคสกะเศรษฐีจึงทรงสั่งพระราชสารไปว่าขอให้เศรษฐีมอบธิดาชื่อสามาวดีให้ฉันแต่เศรษฐีไม่ยอมให้เพราะเกรงลูกสาวจะไปลำบากในวงัง และเกรงว่าหากพลาดพลางลงอาจมีโทษถึงประหารชีวิตหรือมิฉะนั้นอาจถูกโบยตีโดยพระราชอาตยาพระราชาอุเทนทรงส่งพระราชสารไปถึงสองครั้งแต่เศรษฐีก็คงยืนกรานอยู่นั่นเองพระราชาสรงกลิ้วจึงรับสั่งให้จับเศรษฐีและพันยาคลาออกนอกเรือนให้ตีตาปิดบ้านใครเข้าไม่ได้สามาวดีกลับจากอาบน้าเข้าบ้านไม่ได้อะไรกันนี้ครับพ่อ พระราชาต้องการเจ้าแต่พ่อไม่ให้จึงรับสั่งให้ปิดบ้านสามาอึ้งอยู่ครู่หนึ่งมองเห็นว่าการฝืนพระราชโอ่งการมีแต่โทษหามีคุณประการใดไม่จึงบอกพ่อว่าเมื่อพระราชาทรงพระประสงค์ต้องถวายพ่อหากเจ้าไม่ขัดข้องพ่อก็ไม่ขัดข้องเหมือนกันเป็นอันว่าพระเจ้าอุเทนได้สามารถวดีมาเป็นพระมเหสีตามพระประสงค์ตั้งไว้ในตําแหน่งอัครมเหสีแต่นั้นมา นางก็เป็นพระนางสามาวดีพระเจ้าอุเทนมีพระมเหสีหลายพระองค์เช่นพระนางวาสุลทัตตาพระราชธิดาของพระเจ้าจันทประโชดแห่งอุเทนีนครและพระนางมาคันธียาสาวงามแห่งมาคันธียคามเป็นต้นพระนางแรกไม่มีบทบาทอะไรที่เกี่ยวข้องกับพระนางสามาวดีส่วนพระนางหลังมีเรื่องเกี่ยวข้องอยู่มากและเป็นผู้ก่อเหตุให้พระนางสามาวดีถูกเผาทั้งเป็น จึงต้องขอเล่าเรื่องของพระนางไว้ในที่นี้ด้วยพระนางมาคันธียาเป็นบุตรีของพราหมณ์ชื่อมาคันธียะในแคว้นกุรุคือนิวเดลฮีปัจจุบันปรากฏว่าเป็นคนสวยมากปานเทพอับสอนเมื่ออยู่ในวัยสาวมีคนมาขอกันมากล้วนแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นแต่พราหมณ์ผู้เป็นบิดาบอกว่าคนเหล่านั้นไม่เหมาะสมกับบุตรีของตนจึงไม่ยอมให้วันหนึ่ง พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่งทรงเห็นอุปนิสัยของพรา ม, มาคันธยะและพัญญาว่าหากพระองค์เสด็จไปโปรดก็จะสามารถสำเร็จอนาคามิผลได้จึงเสด็จไปสู่ที่บูชาไฟของพรามนั้นพรามได้เห็นพระสถาโคตรผู้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะทุกประการแล้วคิดว่าคนอื่นจะเลิศ ก, กว่านี้มิได้มีบุรุษผู้นี้สมควรแก่ทิดาของเราเราจะให้เขาครองเรือนอยู่ด้วยกัน เขากล่าวกับพระาศาสดาว่าสมณะข้าพเจ้ามีบุตรีอยู่คนหนึ่งสวยมากข้าพเจ้ามองไม่เห็นใครเหมาะสมเท่าท่านท่านควรเป็นพระาศาดาของเธอข้าพเจ้าจะยกเธอให้แก่ท่านขอท่านจงยืนคออยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งพระาศาสดาไม่ได้ตรัสอะไรพรามเข้าไปในบ้านบอกพัญยาให้แต่งตัวบุตรีให้ดีแล้วนาออกไปภายนอกเพราะได้พบบุรุษอันสมควรแก่นางแล้วข่าวเรื่องนี้ แต่สะพัดไปอย่างรวดเร็วมีคนมาดูกันมากด้วยสงสัยว่าชายผู้นั้นจะมีลักษณะประการใดพระศาสดาไะเยียบรอยพระบาทไว้แล้วเสด็จเลี่ยงไปประทับที่อื่นท่านกล่าวว่ารอยพระบาทที่พระศาสดาทรงอธิฐานและเหยียบไว้นั้นทรงประสงค์ให้บุคคลใดเห็นบุคคลนั้นเท่านั้นจึงจะเห็นรอยพระบาทนั้นจะไม่ลบเพราะช้างเหยียบฝนตกหนักหรือลมพัดแรง พรามและพันยาพร้อมทั้งบุตรีเที่ยวเดินตามหาพระาศาสดาแต่ไม่เห็นนางพรามได้เห็นรอยพระบาทก่อนจึงถามพรามว่านี่เป็นรอยเท้าของท่านผู้นั้นหรือพรามตอบว่าใช่นางพรามตรวจดูลักษณะพระบาทแล้วกล่าวกับสามีว่านี้ไม่ใช่รอยเท้าของผู้ข้องในการมารมุม แ, แล้วได้กล่าวกับลักษณะแห่งเท้าว่าคนเจ้าราคะรอยเท้าประยงคือเว้ากลาง คนเจ้าโทสะรอยเท้าหนักส้นคนเจ้าโมหะหนักทางปลายนิ้วเท้ารอยเท้าชนี้เป็นรอยเท้าของคนไม่มีกิเลสพราหมณ์บอกว่านางพราหมณ์อดดีอวดรู้ไม่เข้าเรื่องบอกให้นางนิ่งเสียแต่พราหมณีก็ยังยืนยันความเห็นของตนว่ารอยเท้าชนนี้เป็นของคนที่ไม่มีกิเลสพรามเที่ยวเดินตามหาจนพบพระพุทธเจ้าจึงทูลขอให้รับลูกสาวของตนไว้เป็นพันยา พระศาสดาตรัสเล่าชี้ว่าประวัติของพระองค์ให้พราหมณ์ฟังตั้งแต่ต้นว่าทรงมีความสุขมาอย่างไรจนเสด็จออกผนวดถูกนางตันหาราคาอราดียั่วเย้าแต่หาทรงพึงพระไทยในนางเหล่านั้นไม่แล้วตรัสย้ำว่าพราหมณ์เอ่ยเราไม่ได้พอใจในเมธุนคือการเสพกามเพราะได้เห็นนางตันหาราคาอรารดีผู้สวยเลิศก็ฉไนเล่าเราจะพอใจในทิดาของท่านอันเต็มเรี้ยมมูดและกรี คืออุจระประสะัสสะเราไม่ปรารถนาจะแต่ต้องธิดาของท่านแม้ด้วยเท้าเป็นต้นพระศาสดาทรงแสดงคําอื่นอีกโดยอเนกปริยายเมื่อจบลงพราหมณ์และพราหมณีได้บรรลุอนาคามิผลฝ่ายนางมาคันธยาภูอาฆาตในพระศาสดาว่าสมณะนี้ปากร้ายนะักเมื่อไม่ต้องการเราก็ควรจะบอกเพียงว่าไม่ต้องการหรือตอบเพี้ยงอย่างใดอย่างหนึง่งโดยมัญญาติอันดีของสุภาพบุรุษ แต่นี่กลับดูหมินเราว่าเต็มไปด้วยอุจจาระปัสวะเอาเถอะเมื่อใดเราได้พระสดาอันพร่างพร้อมด้วยชาติตระกูลประเทศโภคะหยดและไหวแล้วเราจะแก้แค้นพระสมณโคดมนี้ให้ได้มีปัญหาที่ถามกันอยู่เสมอว่าพระศาสดาตรัสคําเช่นนี้ทําไมพระองค์ไม่ทรงทราบหรือว่าเมื่อตรัสออกไปแล้วนางมาคันทยาจะผูกอาฆาตในพระองค์พระอัฏฐกถาาจารย์อธิบายไว้ว่าพระศาสดาทรงทราบดี แต่ทรงมุ่งมั่งผลแก่พราหมณ์และพ ร, พราหมณีทั้งสองธรรมดาพระพุทธเจ้าย่อไม่ทรงคำหนึงว่าตรัสออกไปแล้วใครจะชอบหรือไม่ชอบแต่ทรงมุ่งประโยชน์เป็นที่ตั้งใครจะอาฆาตก็เป็นเรื่องของใครคนนั้นพระวาจนที่พระองค์ตรัสนั้นต้องจริงและเป็นประโยชน์ฝ่ายพราหมณ์และพราหมณีสําเร็จอนาคามิผลแล้วพามาคันธยาบุตรีไปฝากไว้กับจุลมาคันธยะผู้เป็นอาแล้วออกบทในสำนักพระศาสดา ไม่นานนักก็ได้สำเร็จอรหัตผลฝ่ายจูลมาคันธียะคิดว่าหลานของตนไม่สมควรแก่คนต่ำจึงนำไปสู่โกสัมพีถวายแก่พระเจ้าอุเทนพระเจ้าอุเทนทรงรับไว้และแต่งตั้งไว้ในตำแหน่งอ克ระมเหสีมีบริวารห้าร้อยขณะที่พระนางมาคันธียาทรงเป็นอ克รเมเหสีที่โปรโดปรานของพระเจ้าอุเทนอยู่นั้นพระศาสดาก็เสด็จมาโกสัมพีพระนางมาคันธียาได้โอกาส จึงจ้างคนให้เที่ยวด่าพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์จนพระอนุนทนไม่ไหวทูลให้เสด็จไปเมืองอื่นแต่พระาศาสดามิได้ทรงวันไหวตรัสกับพระอนุนว่าถ้าไปไหนมีคนด่าแล้วหนีก็ต้องหนีกันอยู่เรื่อยไปในที่สุดจะไม่มีแผ่นดินอยู่พระาศาสดาทรงเตือนและทรงยืนยันว่าเราจะอดทนต่อถ้อยคําร่วงเกินของผู้อื่นดังช้างศึกในสงครามอดทนต่อลูกศรซึ่งมาจากทิศทั้งสี่เพราะคนส่วนมากเป็นคนชั่ว บุคคลย่อมนำสัตพาหนะที่ฝึกแล้วไปสู่ที่ประชุมสัตที่ฝึกแล้วเป็นสัตประเสริฐฉันใดในหมู่มนุษย์ก็ฉันนั้นคนที่ฝึกให้อดทนต่อคำร่วงเกินของผู้อื่นได้จัดว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดพระศาสดาตรัสแก่พระอานนท์ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะสงบลงภายในวันที่เจ็ดจะไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นอย่าได้วิตกไปเลยฝ่ายพระนางมาคันธียาทราบว่า การจ้างคนที่ยวตามด่บพระพุทธเจ้านั้นไม่สามารถให้พระองค์เสด็จออกจากเมืองโกสัมพีได้จึงคิดว่าพระนางสามาวดีเป็นผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์คอยอุปถัมบำรุงอยู่พระพุทธเจ้าจึงอยู่ได้หากกาจัดพระนางสามาวดีเสียพระพุทธเจ้าขาดผู้อุปถัมบำรุงก็จะเสด็จออกจากเมืองโกสัมพีไปเองพระนางหาเรื่องจะใส่ความพระนางสามาวดีว่าคิดนอกพระทัยพระอุเทน เอาพระไทยไปฝากฝ่าย ก, กับพระพุทธเจ้าจึงให้อามาคันธยะเอาไก่เป็นแปดตัวและไก่ตายแปดตัวมาถวายพระราชาขณะที่พระราชาประทับในห้องสวยน้ําจันทร์มีผู้นําไก่มาถวายพระเจ้าค่ะมห า, าเล็กทูลใครพระราชาตัดถามปุโรหิตมาคันธยะพระเจ้าค่ะเท่าไรแปดตัวพระเจ้าค่ะเออดีแกงแก้มเล่าพระราชาตัด พรางทรงพระสวนให้ใครแกงดีพระนางสามาวดีพยาค่ะพระนางมาคันธยาทูลพระนางสามาวดีและปริวานว่างงานเที่ยวเทรดอยู่ทุกวันพระราชารับสั่งให้มหาเล็กนำไก่ไปให้พระนางสามาวดีแกงพระนางมาคันธยาให้รางวัลแก่มหาเล็กกระซิบให้นำไก่เป็นแปตัวไปพระนางสามาวดีทูลกลับมาว่าพระนางแกงถวายไม่ได้เพราะไม่ทรงทาปานาธิบัติ พระนางมาคันธยาทูลพระเจ้าอุเทนว่าขอพระองค์ทรงลองใหม่คือรับสั่งว่าให้แกงไปถวายพระสมณโคดมข่าวนี้พระองค์จักทรงทราบว่าหญิงเหล่านั้นทําปาณาธิบารหรือไม่ทำพระราชารับสั่งอย่างนั้นพระนางมาคันธยากระซิบให้นําไก่ตายแปดตัวไปพระนางสามาวดีทอดพระเนตรเห็นไก่ตายแล้วและพระราชามีกระแสรับสั่งให้แจงไปถวายพระเจ้าก็ทรงสมณัตตรัสว่า นีเป็นหน้าที่ของเรามหาเล็กนาความนั้นมาทูลแด่พระราชาพระนางมาคันธยาได้โอกาสจึงทูลว่าทรงเห็นไหมหญิงเหล่านั้นเป็นอย่างไรเมื่อรับสั่งให้แกงไก่ถวายพระองค์ไม่ทรงกระทําแต่พอรับสั่งว่าให้แกงถวายพระสมณโคดมก็รีบทำทีเดียวพระเจ้าอุเทนทรงเฉยเสียตามปกติพระราชาจะประทับที่ประสาทของพระนางทั้งสามคือพระนางสามาวดีพระนางวาสุลัตตา และพระนางมาคันธยาแห่งละเจ็ดวันพระนางมาคันธยาทราบว่าอีกวันสองวันพระราชาจะาเสด็จไปประสาทของพระนางสามาวดีจึงสั่งให้อาว่าให้นํางูตัวหนึ่งมาให้และให้ถอนเขี้ยวออกให้หมดเสียก่อนพระนางได้งูมาแล้วเอางูใส่ไว้ในช่องหนึ่งในรางพินแล้วเอากลุ่มดอกไม้อุดเสียงูนอนอยู่ในรางพินนั้นสองสามวันในวันที่พระราชาจะเสด็จสู่ประสาทของพระนางสามาวดี พระนางมาคันธยาทูลว่ามหาราชหม่อมฉันสุบินร้ายพระองค์ไม่ควรเสด็จไปที่นั่นแต่พระราชาไม่ทรงเชื่อพระนางทูลถึงสามครั้งเมื่อพระราชาทรงยืนยันอยู่พระนางก็ขอตามเสด็จด้วยพระเจ้าอุเทนรับสั่งให้กลับก็ไม่ยอมกลับทรงอ้างว่าไม่ทราบจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นที่ตามเสด็จมาก็เพราะทรงเป็นห่วงพระราชาเสด็จไปไหนก็ทรงนําพินคู่พระไทยไปด้วยทรงวางไว้เบื้องบนพระเศียรและบันทม พระนางมาคันธยาเสด็จกลับไปกลับมาอยู่ในห้องบรรทมเมื่อได้โอกาสก็นำเอากลุ่มดอกไม้ในรางพินออกงูซึ่งอดอาหารมาสองสามวันแล้วเลื้อยออกมาแผ่พังพานอยู่บนพระแทน่นบรรทมพระนางมาคันธยาจึงร้องขึ้นด้วยเสียงดังว่างูพระเจ้าค่าหลแล้วพระนางก็ด่าพระราชาและพระนางสามาวดีเสียมากมายเป็นต้นว่าพระราชาพระองค์นี้โง่นักไม่มีวาสนาไม่ฟังคําพูดของเราอียิงเหล่านี้ก็เป็นคนไม่มีสริ หัวดพวกมันไม่ได้รับเพลี้ยงดูหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสวรรคตรแล้วพวกมันจะอยู่กันสบายหรืออย่างไรเมื่อพระเจ้าแผ่นดินทรงพระชนอยู่มันอยู่ลําบากกันนักหรือวันนี้เองเราฝันร้ายพยายามเฝ้าวอนว่าอยาเสด็จประสายของอีญิงถอยคนนี้แต่พระราชาโง่เขาก็หาฝังไม่พระราชาทรงพิโรธมากเพราะหลายครั้งหลายคราวมาแล้วแต่ไม่ประจักษ์ชัดเหมือนข่าวนี้ทรง โกงธนูจะยิงพระนางสามาวดีและหญิงบริวารเสียให้สิ้นพระนางสาวมาวดีให้อาวาดแก่บริวารของตนว่าที่พึ่องอย่างอื่นไม่มีอีกแล้วขอพวกเราจงแผ่เมตตาไปยังพระราชาบ พ, พระเทวีและในตนให้มีจิตสม่ำเสมออย่าได้โกรธใครเลยธนูของพระเจ้าอุเทนนั้นร้ายแรงนักว่าสามารถทําทลายแม้ศิลาแท่งทึบได้ทรงปล่อยลูกศร อ, อาบยาพิษ พงุ่งอุระประเทศของพระนางสามาวดีแต่ด้วยอำนาจแห่งเมตตานุภาพลูกศรได้หวนกลับมายังพระองค์มีอาการประนมิงว่าจะจ่อหัตถยของพระองค์แล้วตกลงพระราชาทรงดําริว่าลูกศรไม่มีจิตยังรู้คุณของพระนางสามาวดีก็เราเป็นผู้มีจิตฉนัยจึงไม่รู้คุณของพระนางดังนี้แล้วทรงทิ้งธนูทรงนั่งกระโยงประคองอัญเชลีอยู่แทบพระบาทของพระนางสามาวดี ขอให้พระนางสาวมาวดีทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์แต่พระนางทูลว่าขอจะได้ทรงถือพระนางเป็นที่พึ่งเลยพระนางถือผู้ใดเป็นที่พึ่งขอพระองค์จงทรงถือผู้นั้นเป็นที่พึ่งด้วยผู้นั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ยอดเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนพระราชาและความเรื่องสายภาษาสดาแล้วทรงนิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์เสวยที่พระราชนิเวศเจ็ดวันทรงขอร้องให้พระนางสาวมาวดีรับพร พระนางจึงทูลขอพรว่าขอให้อราชนาพระศาสดาและภิกษุสงฆ์มาเสวยในพระราชวังเป็นหนึ่งมิตรพระนางไม่ต้องการพรอย่างอื่นพระราชาจึงทูลอาราธนาพระศาสดาแต่ทพบุรองค์ตรัสว่ามหาบพิดธรรมดาพระพุทธเจ้าไม่ควรไปเสวยในที่เดียวเป็นประจำเพราะประชาชนย่อมต้องการให้พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังบ้านเรือนของเขาบ้าง ถ้าอย่างนั้นขอพระองค์จงทรงมอบหมายให้เป็นหน้าที่ของภิกษุรูปใดรูปหนึ่งด้วยเถิดพระศ า, ศาสดาทรงมอบหน้าที่นั้นให้พระอา น, นุ์ตั้งแต่นั้นมาพระอนุนก็พาภิกษุประมาณห้าร้อยรูปไปสู่ราชกุลเป็นหนึ่งนิดพระนางสามาวดีและบริวารก็ได้ถวายทานได้ฟังธรรมอยู่หนึ่งนิดเช่นเดียวกันส่วนพระนางมาคันธยามีความข้างแค้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะตนได้ทําสิ่งใดลงไปคาดผลอย่างหนึ่ง แต่ผลอีกอย่างหนึ่งกลับเกิดขึ้นยิ่งกว่านั้นพระราชา ย, ยังไปเลื่อมสายในพระสมณโคดมเสียอีกพระนางทรงดําริว่าราวนี้ขอเป็นครั้งสุดท้ายสามาวดีเอ่ยคงต้องตายอย่างแน่นอนพระนางขอร้องให้อามาคันธยะไปสู่ประสาทของพระนางสามาวดีเปิดเรือนคลังแล้วเอาผ้าชุบน้ำมันแล้วพันเสาประสาทขังหญิงซึ่งมีพระนางสามาวดีเป็นประมุกไว้ในห้องลั่นดานประตูภายนอกเสียแล้วเผาประสาท ขณะนั้นพระเจ้าอุเทนเสด็จสู่พระราชอุทยามเพื่อทรงกีฬาบางอย่างพระนางสามาวดีทอดพระเนรเห็นนายมาคันธิยะธรรมเ่นานจึงเสด็จมาถามว่าทำอะไรกันเขาทูลตอบว่าพระราชารับสั่งให้ทำเพื่อให้พระปราสาทมั่นคงขอพระนางเสด็จเข้าประทับในห้องเสียเถิดเมื่อพระนางสามาวดีและบริวารเสด็จเข้าห้องแล้วเขาก็ลัน่นด่านประตูภายนอกหมดแล้วจุดไฟเผาประสาท พนางสามาวดีทรงทราบ ว, ว่าจะถูกเผาทั้งเป็นดังนั้นจึงให้โอวัตแก่หญิงบริวารว่าเมื่อพวกเราท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตอันยาวนานนี้เคยถูกไฟเผามาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแม้พุทธญาณก็กําหนดได้ยากท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดหญิงเหล่านั้นขณะที่พระตําหนักถูกไฟไหม้อยู่ก็มานาสีการเวทนาปริกขะกรรมฐานคือกําหนดเวทนาบางพวกได้บรรลุโสดาบัน บางพวกเป็นสกทาคามีบางพวกเป็นอนาคามีสมจริงดังที่พระธรรมสังคาหถาจารกล่าวไว้ว่าครั้งนั้นแลพิสูจเป็นอันมากกลับจากบินทบาทฉันอาหารแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภายในบุรีของพระชจ้าอุเทนถูกไฟไหม้หญิงห้าร้อยมีพระนางสามาวดีเป็นประมุขได้ทําการกิริยาคือตายแล้ว สำหรายภพบของอุบาสิกาเหล่านั้นเป็นอย่างไรหนอพระศ า, ศาสดาตรัสว่าอุบาสิกาเหล่านั้นที่เป็นโสดาบันก็มีเป็นสกทาคามีก็มีเป็นอนาคามีก็มีอุบาสิกาเหล่านั้นทำการอย่างไม่ไร้ผลพระผู้มีพระภาคทรงเปล่งอุทานว่าโลกมีความหลงเป็นเครื่องผูกพันจึงปรากฏให้เห็นเสมือนมีรูปปวนแก่ความยึดมั่นถือมั่นคนผานมีอุปธิ คือกิเลสเป็นเครื่องผูกไว้ถูกความมืดแวดล้อมจึงมองเห็นสิ่งต่งตางๆว่าเทียงแต่ความกังวลย่อมไม่มีแก่ผู้เห็นแจ้งพระศาสดาทรงแสดงคําตอบไปว่าสาัตว์ที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารที่ไม่ประมาททาบุญกรรมอยู่เป็นนิดก็มีที่ประมาททําบาปกรรมอยู่เนืองๆก็มีเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงสวยสุขบ้างทุกบ้างพระราชาทรงทราบข่าวเรื่องพระตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ รีบเสด็จมาแต่ไม่ทันการเสรแล้วทรงโทมนัสอย่างลึกซึ้งทรงระลึกถึงคุณงามความดีของพระนางสาวมาวดีแล้วความโศกสลดได้กินลึกลงไปในหัไทยของพระองค์ทรงพิจารณาเหตุผลแล้วแน่พระไทยว่าการครั้งนี้ต้องเป็นการกระทาของพระนางมาคันธียาแต่หากจะถามตรงๆพระนางคงไม่รับจำต้องออกอุบายถามจึงตรัสกับอมตซึ่งแวดล้อมอยู่ว่าเมื่อก่อนนี้ เรานั่งนอนหาเป็นสุขไหมคอยระแวงแต่พระนางสามาวดีเพราะเธอคอยหาช่องทำอันตรายเราอยู่เป็นนิดบัดนี้พระนางนั้นสิ้นพระชนแล้วเป็นความสุขของเราจริงหนอผู้ทำกรรมนี้คงจะมีความรักในเราอย่างหนักแน่นใครหนอะทำกรรมนี้ขณะนั้นพระนางมาคันธยาเฝ้าอยู่เห็นเป็นโอกาสเช่นนั้นจึงทูลขึ้นข้าแต่พระองค์คนอื่นใครเล่าจากจงรักภักดีต่อพระองค์เท่าหมอมฉัน กรรอันนี้หม่อมฉันทำแล้วโดยสัง่งให้ทำพระราชาทรงทำทีเป็นพอพระไทยรับสั่งว่าจะพระราชทานพรให้พระนางและหมู่ญาติขอให้พระนางสั่งหมู่ญาติเข้ามาเฝ้าด้วยพระนางมาคันธยาได้สั่งหมู่ญาติเข้ามาพระราชาให้ทำการต้อนรับญาตเหล่านั้นด้วยการทำสการะพระราชทานของเป็นอันมากให้เป็นบำเหน็จ ค, ความดีความชอบของพระนางมาคันธยาคราทีนั้น คนที่มิชญาดก็ให้สินจ้างรางวัลแก่ญาติของพระนางมาคันธยาขอให้รับตนเข้าเป็นญาติด้วยพากันมามากมายพระอาชารับสั่งให้จับคนเหล่านั้นมัดไว้ให้ขุดหลุมลึกประมาณสะดือที่พระลานหลวงให้ญาติของพระนางมาคันธยายืนในหลุมเอาดินร่วนกลบเกลี่ยฟังไว้ปากหลุมแล้วจุดไฟเผาพอไฟไหม้หนังแล้วรับสั่งให้เอาไถเหล็กไถให้เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยส่วนพระนางมาคันธยานั้น พระราชารับสั่งให้เอาลุมให้เอาลงหลุมฝังเหมือนญาติแต่ให้เชือดเฉือนเนื้อล่ำทอดในกระทะแล้วบังคับให้เสวยสิ้นพระชนด้วยอาการอันหน่าสวงเวองวันหนึ่งภิสูจทั้งหลายสนทนากันว่าพระนางสามาวดีและบริวารสิ้นพระชนด้วยลักษณะาการอันไม่สมควรเพราะพระนางเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเห็นป่านนั้นไม่ควรสิ้นพระชนอย่างนั้นเลยพระาศาสดาเสด็จมาตรัสว่า พระนางสามาวดีสิ้นถ้าชนไม่สมควรแก่กรรมในบัดนี้แต่สมควรแก่กรรมในอดีตตรัสเล่าให้พิสูจนทั้งหลายฟังว่าในอดีตการหญิงห้าร้อยคนพระนางสามาวดีนี่แหละเป็นประมุกบำรุงพระประเจกับพทธเจ้าแปดองค์อยู่ในวังของพระเจ้าพมทัตเมืองพราราณสีวันหนึ่งเมื่อฉันเสร็จแล้วพระประเจกับพทธเจ้าเจ็ดองค์ไปสู่ป่าหิมะพานอีกองค์หนึ่ง นั่งเข่าชานอยู่ในที่อันรกด้วยหญ้าริมแม่น้ำพระราชาพาหญิงเหล่านั้นไปเล่นน้ำในแม่น้ำหญิงเหล่านั้นเล่นน้ำอยู่แทบทั้งวันเมื่อขึ้นจากน้ำก็รู้สึกหนาวต้องการก่อไฟผิงมองไปเห็นกอหญ้าจึงจุดไฟล้อมกอหญ้าผิงอยู่พอหญายุบแลเห็นพระปพจเจกพุทธเจ้าจึงร้องขึ้นว่าพวกเราแย่แล้วแย่แล้วพระปพจเจกพุทธเจ้าถูกไฟคลอกพระราชาทรงทราบจักลงโทษพวกเราอย่างหนัก พวกเราจงเผาท่านให้ไหม้ให้หมดดังนี้แล้วช่วยกันหาฟืนมาสมแล้วเผาพระปฏิกับพุทธเจ้าสําคัญว่าท่านต้องถูกไหม้หมดอย่างแน่นอนจึงชวนกันหลีกไปพอวันที่เจ็ดพระปฏิกับพุทธเจ้าก็ลุกไปอย่างสบายเพราะธรรมดามีอยู่ว่าขณะที่ท่านอยู่ในสมาบัตินั้นจเจ้าฟืนสักพันเล่มเกวียนมาเผาก็ไม่สามารถให้ศรีระของท่านอุ่นได้หญิงเหล่านั้น หมกไม่อยู่ในนรกหลายพันปีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ถูกไฟครอบตายมานับจำนวนร้อยชาติแล้วเพราะเศษกรรมที่เหลือต่อมาอีกวันหนึ่งพิสูจนทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาเกี่ยวกับเรื่องพระนางสามาวดีและเรื่องพระนางมาคันธิยาว่าหญิงสองพวกนี้ใครชื่อว่าเป็นอยู่ใครชื่อว่าตายแล้วพระศาสนาเสด็จมาตรัสว่าผู้ประมาทชื่อว่าผู้ตาย ส่วนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายเพราะฉะนั้นพระนางมาคันธยาชื่อว่าเป็นผู้ตายส่วนพระนางสามาวดีเป็นผู้ไม่ตาย